ที่วัดป่าสุกโตมีกัลยาณมิตรและครูบาอาจารย์หลายท่านนะที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลพวกเราได้โดยเพาะในช่วงข้าพันษาปกติแล้วนี่ทุกปีทุกปีนะกัลยาณมิตรหรือครูบาอาจารย์ที่สำคัญก็คือหลวงพ่อคำเขียนของเรา ในภรรษาท่านก็จะมาเทศนามาแสดงธรรมให้พวกเราฟังนะอยู่เป็นประจำแต่ก่อนนี่ก็เช้าเย็นทีเดียวนะตั้งแต่สมายที่อาตมามาอยู่ใหม่ๆตอนหลังก็ในช่วงตอนหลังๆก็ท่านก็มาแสดงธรรมได้เฉพาะช่วงเช้า แต่ว่านั่นคือที่ผ่านมานะปีนีนะ้ท่านไม่สามารถที่จะแสดงธรรมให้พวกเราได้ฟังได้เพราะข้อจํากัดนะทางด้านสังขารร่างกายของท่านแต่ว่าแม้ท่านจะไม่สามารถจะแสดงธรรมด้วยจะสอนธรรมด้วยการพูด แต่ว่าท่านก็สามารถที่จะสอนทำให้กับเราได้โดวยวิธีอื่นนะทำให้ดูอยู่ให้เห็นซึ่งที่จริงทำให้ดูอยู่ให้เห็นนี่ท่านก็ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะเ<อ>ช่นความเสียสละของท่านความอ่อนน้อมถ่อมตัว ความรักในธรรมชาติรวมทั้งการเป็นอยู่อย่างสงบนะไม่วันไหวนะกับสิ่งที่มากระทบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคนที่อยู่วัดนะไม่ว่าใกล้หรือไกลกนะ็ถ้าสังเกตก็จะเห็น และนั่นแหลกนะก็เป็นธรรมที่มีคุณค่ามากนะไม่น้อยไปกว่าคำสอนของท่านที่แสดงเป็นคำพูดแม้กระทั่งในช่วงนี้นะท่านไม่สามารถจะแสดงธรรมให้พวกเราฟังได้แต่ก็ยังทำให้ดูอยู่ให้เห็นรวมทั้งสิ่งที่ท่านเป็นตอนนี้ก็สามารถจะ ให้ข้อคิดให้ธรรมะชวนให้เราใคร้ครวนได้ไม่น้อยทีเดียวอย่างเช่นความเจ็บป่วยหรือความอาพาธของท่านตอนนี้นะมันก็เป็นเครื่องเตือนใจให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารไม่เที่ยงทั้งในแง่ที่ว่าจากเดิมที่เป็นปกตินะก็มาเจ็บป่วย แล้วก็เมื่อเจ็บป่วยอย่างถึงที่สุดนะก็จะต้องละจากโลกนี้ไปอันนี้มันเป็นธรรมดาเป็นความจริงของสังขารของทุกชีวิตนะที่ตั้งอยู่บนความไม่จีรังยั่งยืนซึ่งเมื่อเราได้พิจารณาใคร่ครวนอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะเตือนสติพวกเรานะ ว่าการที่เราจะนะหวังพึ่งพาครูบาอาจารย์ไปตลอดนะมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้อย่างที่อาตมาได้พูดเมื่อตอนบ่ายนะในรายการนะสนทนาของไทย PBS นะคือความมาพังงท่านนี่นะ ถ้าเราใคร่ควรให้ดีก็จะเตือนสติให้เราได้ตระหนักว่าครูบาอาจารย์ของเรานะแม้ว่าท่านจะมีคุณวิเศษเพียงใดแต่ก็สามารถไม่สามารถจะอยู่กับเราได้ไปตลอดถ้าเราไปหวังพึ่งพาท่านเราก็จะผิดหวังและเราก็จะลงท้ายด้วยความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ไายก่อนัน้นก็คือว่าขาดโอกาสนะที่จะ ฝึกฝนพัฒนาตนถ้าเราได้พิจารณาใ ค, ครโครนการอาภาษของท่านนะแล้วก็ได้เห็นเลยนะว่าโอ้สังขารมันไม่จีรังยั่งยืนนะครูบาอาจารย์ของเราซนะักวันนึงก็ต้องจากเราไปนะไม่ช้าก็เร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหวังพึ่งพาครูบาอาจารย์ต่อไปไม่ได้นะ ต, ต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองอย่างที่ พระพุทธเจ้าก็เคยแนะนำหรือว่าเตือนสติพระอานนท์นะอย่างที่ได้เล่าไปว่านะในพรรษาสุดหลังพรรษาสุดท้ายของพระพุทธองคนะ์ตอนนั้นพระพุทธองค์ก็อายุ80แล้วก็มีวันหนึ่งพระอานนท์นะก็ได้พูดกับพระพุทธองค์ว่าท่านเนี่ยยังไม่เห็นธรรมได้แจ่มแจ้งนะแต่ก็พูดทํานองว่ายังดีนะ ที่พระพุทธองค์ยังไม่ได้เสด็จดับการเปรียญิพานจริงๆตอนนั้นเนี่ยพระนนท์ท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วนะแต่ท่านก็ยังก็ยังรู้สึกว่าท่านยังได้เรียนรู้อะไรไม่มากยังเห็นธรรมไม่แจ่มแจ้งแต่ก็ยังดีนะที่พระพุทธองค์ยังยังอยู่กับพวกเราพระพุทธเจ้าก็เลยทวงพระนนานนท์ว่านนท์นะ จะยังหวังพึ่งเราอีกหรือนะเพราะว่าสังขารร่างกายเราเ น, นี้มันก็เหมือนกับเกลียนที่เก่าค่ำคร่าที่ต้องแซมต้องซ่อมด้วยไม้ไผ่ก็คือว่าพร้อมที่จะพังพร้อมที่จะเสื่อมใช้การไม่ได้และพระองค์ก็ย้ำกับพระอานนท์ว่าเนี่ยจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสารณะ แล้วท่านก็พระองค์ก็ขยายความต่อไปว่าก็คือมีทรรมเป็นเกาะมีทรรมเป็นสารณะนะคืออย่าหวังพึ่งพาพระองค์นะต้องหวังพึ่งตนเองด้วยการที่น้อมนำธรรมะให้เกิดขึ้นกับตนหรือว่าทำให้ธรรมะเจริญงอกงามขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะที่เอามาใช้ได้กับพวกเรานะ พวกเรานะถ้าหากว่าได้ใครครวนนะการอาภาตของหลวงพ่อก็สำหรับผู้ที่มีปัญญาแล้วก็จะเป็นเครื่องเตือนสติให้เกิดสังเวชนะสังเวชหรือสังเวชะเนี่ยมไม่ได้แปลว่าสลดทอดูนะภาษาไทยแปลว่าอย่างนั้นแต่ภาษาบาลีแปลว่ากระตุ้นเตือนให้เกิดความรู้สึกเร่งด่วนนะในการที่จะพัฒนาตนปฏิบัติธรรม อย่างที่ใช้คําว่าสังเวชา ก, กับสังเวชนีสถานเนี่ยไม่ได้ไปเพื่อให้หดหู่เศร้าหมองแต่ไปเพื่อให้เกิดความเร่งเร่ากระตุ้นเตือนให้บําบเพ็ญความดีแล้วก็มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมจุดหมายสูงสือคือการพน้นทุกข์นะนะไม่ได้ไปเพื่อให้เกิดความสลดสังเวชนะแต่ให้เกิดความกระตือรือร้นนะพูง่าคือเกิดความไม่ประมาทนั่นเอง ซึ่งก็ตามมาด้วยความเพียรอันนี้สิ่งที่หลวงพ่อเป็นเนี่ยนะก็ถ้าเราใครควรนะเราก็จะได้ข้อธรรมแลวอาภาภัของท่านก็ยังเตือนสติเรานะดวยว่าอันนี้เป็นธรรมดานะของสังขารสังขารนี่มันเป็นมันเป็นรังของโรคนะมันถูกคร่อบงำด้วยความทุกข์ แล้ววันหนึงคืนดีก็เจ็บป่วยเราต้องถามตัวเราเองว่าหากสักวันหนึ่งเราต้องเจ็บป่วยอย่างท่านนะเราพร้อมหรือเปล่านะเราเคยคิดบ้างไหมว่าสักวันหนึ่งเราจะเจ็บป่วยเหมือนท่านหรืออาจจะยิ่งกว่าลุงพ่อแล้วถ้าเกิดเป็นขึ้นมาเราพร้อมไหม นะถ้าไม่พร้อมนะเราก็ต้องเร่งทำความเพียรตั้งแต่วันนี้นะเพื่อให้พร้อมคนที่คิดว่าตัวไม่พร้อมแล้วก็เกิดความท้อแท้ขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ฉลาดคนที่ฉลาดนี่เมื่อรู้ไม่พร้อมแล้วก็เราต้องเรายังมีเวลาอยู่งนะั้นต้องเร่งทำความเพียรให้พร้อมนะ ว่าสิ่งที่หลวงพ่อเป็นเนี่ยน ะ, ะไม่ได้ชวนให้เราใคร้ควรแต่เพียงเท่านี้นะในขณะที่ด้านหนึ่งท่านก็เตือนให้เราเห็นถึงตอนหนักถึงความทุกข์ความไม่จีรังของสังขารแต่ในด้านหนึ่งท่านก็เป็นประจักษ์พยาหนึ่งความไม่ทุกข์ด้วยนะก็คือว่าถึงแม้ท่านจะ มีความทุกข์รุมเร้ากายนะแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยสิ่งที่ท่านเป็นเนี่ยก็ชื่อเราเห็นว่าป่วยกายแต่ว่าใจไม่ป่วยก็ได้นะแม้ว่าความตายจะใกล้เข้ามานะแต่ว่าก็ไม่หวั่นไหวสามารถที่จะคุยเล่นในเรื่องความตายได้ เมื่อตอนบ่ายๆตอนเย็นนะหมอก็มาตรวจมาคลำคอหลวงพ่ออยู่พักใหญ่หลวงพ่อก็ไม่ทราบว่ามาคลำพ่ออะไรนะแต่ก็เขียนถามไปว่านะใกล้ตายแล้วใช่ไหมที่แรกหมออ่านนึกว่าใกล้หายแล้วใช่ไหมดีไม่ใชนะ่ใกล้ตายแล้วใช่ไหมนะคนธรรมดาเนี่ยไม่กล้าพูดแบบเนื้อนะกลัวจะเป็นอภิมงคลนะ แต่หลวงพ่อท่านพูดเนี่ยทํานองล้อล้อเล่นนะแต่ท่านไม่กลัวนะถ้ า, าว่ามันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆท่านก็สามารถที่จะคุยพูดล้อเล่นกับความตายได้ไม่เห็นความตายเป็นศัตรูเพราะว่าท่านก็รู้มันเป็นธรรมดาท่านก็สามารถที่จะ อ, อยู่อย่างเป็นปกติให้เราเห็นได้ทั้งๆ ท, งที่โรคภัยของท่านนี่ก็มากมาย แล้วก็ดุรแรงจนตอนนี้ท่านก็คิดว่าไม่รักษาละอันนี้ก็คือนะธรรมะที่ท่านได้แสดงไม่ใช่ด้วยการพูดนะแต่ด้วยการทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็เป็นให้เราใคร่ครวญ น, นะก็เป็นธรรมะนะที่ทั้งในแง่ของการเตือนสติเรา กระตุ้นให้ให้เร่งทำความเพียรและขณะเดียวกันก็ให้ความหวังแก่เราว่าแม้ชีวิตนี้มันจะเต็มไปได้วยความทุกข์แม้เราจะถูกครอบงำด้วยความแก่ความเจ็บความตายนะแต่ว่าไอทางเห็นความไม่ทุกข์นั้นมันมีอยู่และมันเป็นไปได้อยู่อย่างไม่ทุกข์นี่เป็นไปได้แม้ว่าจะถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วแม้ว่แม้ว่าจะมีความทุกข์อยู่เบื้องหน้าแล้ว แต่ก็สามารถจะอยู่อย่างไม่ทุกได้นะอันนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สำคัญนะนะเป็นธรรมะที่ถ้าเราใคร่ควรวญไตรตรองก็จะได้ประโยชน์มากทันะ้งในแง่ของการกระตุ้นให้เร่งทำความเพียรอยู่อย่างไม่ประมาทแล้วก็ทำให้เกิดความหวังและกำลังใจนะเพราะว่าสักวันหนึ่งเราก็สามารถจะเข้าถึงภาวะเช่นนั้นได้เหมือนกัน ถ้าหากว่าเราเพียรพยายามเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีอยู่ในศักยภาพของเรานะนี้ถ้าเราพิจารณาแบบนี้แล้วนะก็ควรใช้พรรสนา น, นีนะในการที่จะทำความเพียรนะโดยเฉพาะในเรื่องการดูจิตนะดูใจของเรา อาศัยสตินั่นแหละนะเป็นเป็นเครื่องดูสตินั่นก็คือตาในนะเราใช้ตาเนื้อในการมองโลกภายนอกมาเยอะแล้วแต่โลกภายในนะก็คือความรู้สึกนึกคิดเนะี่ยเราปล่อยเราทิ้งจนกระทั่งมันเหมือนกับบ้านที่ถูกปิดตายแล้วก็เต็มไปด้วยอยากใยเต็มไปด้วย สิ่งสกรปรกมากมายคราวนี้ถึงเวลาที่ต้องเปิดบ้านนะนี้และทำความสะอาดนะกจัดสิ่งที่เรียกว่าอนุัยอสาาวะอนุัยก็คือตะกรนแห่งกิเลสอสาาวะคือสิ่งที่มันหมักหมมมันซุกซ่อนอยู่ในใจอยู่ในโลกภายในนี่ออกไป จะทำกันได้ต้องมีสตินะเป็นตัวเหมือนกับเป็นตาในหรือเป็นแสงสว่างที่สะส่องว่ามันมีตรงไหนที่จะต้องชำระให้สะอาดบ้าง <Yeah. S 1> งั้นถ้าเราใช้ตาในคือสตินะก็ทำให้เราได้เห็นใจของเราแล้วก็สามารถที่จะป้องกัน ร, รักษาใจของเราไม่ให้ความทุกข์ครอบงำรวมทั้ง สามารถที่จะรื้อถอนไอ้ต้นตอแห่งความทุกข์นะก็คือกิเลสตัณหาหรืออวิชชาได้ไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นต้นตอแห่งความทุกข์นะไม่ใช่สิ่งภายนอกไม่ใช่เจ้านายที่ดุร้ายไม่ใช่ดินฟ้าอากาศหรือว่าคนที่ต่อว่าด่าทอติฉินนินทาเราไม่ใช่แม้กระทั่งความเจ็บความปวด้วยซ้ำแต่มัน อยู่ที่ตัวตัณหาวิชาซึ่งนำไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเช่นยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่ามันต้องเที่ยงยึดมั่นถือมั่นในคนรักว่าต้องอยู่กับเราไปจนตลอดไม่มีความสูญเสพัดพรากหรือยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งความคิดความเห็น นะว่ามันจะต้องคงที่ไม่แปรเปลี่ยนหรือว่ามันจะต้องถูกต้องไม่ผิดพลาดให้พวกความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้เนี่ยไม่ว่ายึดมั่นถือมั่นในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจที่เรียกว่าการมูปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นที่เรียกว่าทิฏฐปาทานหรือว่ายึดมั่นในแบบแผนระเบียบกฎเกณฑ์ ว่าถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วนะจะพ้นทุกข์ไดนะ้หรือยึดมั่นในพิธีรีตองว่ามันจะเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์นะอันนั้นก็ที่เรียกว่าเสรีปัตุปาทานหรือตัวสำา์สสำคัญคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราที่ที่เรียกว่าอัตตวาทุปาทานไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่รื้อถอนมันนะมันก็จะ ทำให้เป็นทุกข์แม้แต่เรื่องเล็กน้อยมากระทบ ก, ก็เป็นทุกข์ได้เช่นเสียใจเสียดายเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีนะเสียความรู้สึกนะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องใหญ่นะก็มันถึงกับความเป็นเหตุให้คุ้มครั่งนะคลุ้มอกกลุ้มใจถึงกับฆ่าตัวตายหรืออยากทำร้ายผู้อื่นในการเข้าพรรษาเนี่ยนะ ก็ควรเป็นโอกาสดีนะที่จะให้เราได้ฝึกฝนพัฒนาตนนะฝึกหัดขัดเกลาให้เกิดความจำแจ้งนะรู้เห็นรู้จักตัวเองในมุมที่ลึก ใ, ในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดและสามารถที่ยกจิตยกใจของเราให้อยู่เหนือโลกนะเหนือโลกคือโล ก, กธรรมนะไม่ว่าจะได้ลาบเสื่อมลาบไม่ว่าจะได้ยศเสื่อนยศไม่ว่าจะพบสุขหรือทุกข์ไม่ว่าจะเจอคำเสืระเสรินคํานินทา จิตใจก็ไม่หวั่นไหวอย่างที่เราสวดเมื่อวานนี้เนี่ยมงคลสูตรนะโลกธรรมมาถูกต้องนะแต่ว่าใจก็ไม่หวั่นไหวนะอันนี้พราะมีทำเป็นเป็นที่พึ่งหรือว่าเข้าถึงธรรมแล้วแล้วก็ตามในการมาอยู่จําพรรษาที่นี่เนี่ยนอกจากการฝึกหัดขัดกล่าวตนเองให้เห็นให้รู้จักให้เข้าใจ กายและใจของตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วนะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยก็คือการาสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างราบรื่งกลมกลืนเพราะว่าเรามาอยู่จำพารเนี่ยก็คือเรามาอยู่กันเป็นหมู่คณะเราไม่ได้อยู่หลีกเล่นคนเดียวแต่ในป่าถ้าเราอยู่แต่ในป่าหรือเก็บอารมณ์อยู่ในกุตติอยู่ในที่พักก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเกี่ยวข้อง กับผู้ใดแต่ว่าเมื่อเราอยู่กันเป็นสังฆะเป็นชุมชนนะซึ่งประกอบไปด้วยทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งคารวานะแล้วก็รวมทั้งสิงสาราสัตว์นะเราต้องสร้างต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์การให้เกิดความถูกต้องให้เกิดความราบรื่นนะ ความสัมพันธ์ที่ราบเรื่มเช่นความพร้อมเพรียงนะความสา ม, มัคคีเนี่ยมันสาคัญนะต่อการปลูกฝังส่งเสริมทรมาให้เจริญงอกงามหรือทำให้การปฏิบัติธรรมของเราเจริญงอกงามได้<อ>เวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะแนะนำให้ใครไปปฏิบัติธรรมที่ใดเนี่ยท่านก็ ให้พิจารณาให้ท่านเหล่านั้นพิจารณาได้ว่าสถานที่นั้นสับปะยะไหมสับปะยะทั้งในแง่ของสถานที่ทั้งในแง่ของบุคคลทั้งในแง่ของอาหารทั้งในแง่ของภูมิอากาศทั้งหมดนี้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะที่จําเป็นแล้วก็สําคัญต่อการสร้างความเจริญงอกงามของธรรมะในใจเรางั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมัน สิ่งแวดล้อมนะที่นี่เนี่ยก็เกื้อกูลหลายอย่างนะทั้งในแง่ของศาสนานะทั้งในแง่ของอาหารทั้งในแง่ของอธรรมชาติแวดล้อมซึ่งรวมถึงภูมิอากาศด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คือผู้คนที่แวดล้อมความสัมพันธ์กับผู้คนที่แวดล้อมก็จะต้องเป็นไปอย่างราบลื่นกลมกลืนด้วย สมัยหนึ่งพระพุทธองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมพระสาวกสามท่านนะซึ่งมาปฏิบัติร่วมกันก็คือพระอนุรุท ธ, ธะนะพระกิมพิละนะอีกท่านหนึ่งจำไม่ได้เมื่อมาถึงเนี่ยนะพระเจ้าก็ถามเลยว่าอยู่ลำบากไหมบิณฑบาตพอฉันไหม นะถามเรื่องการกินอยู่ถามเรื่องอาหารการกินก่อนแล้วประการต่อมาก็ถามว่ายังมีความพร้อมเพรียงกันไหมชื่นชมกันไม่วิวาทการเข้ากันได้เหมือนน้ากับน้านมหรือเปล่ามองกันด้วยสายตาอันเปี่ยมด้วยความรักหรือไมนะ่พอถามเรื่องอาหารการกินอยู่แล้วก็จะถามเรื่องความสัมพันธ์แล้ว หลังจากนั้นค่อยมาถามเรื่องการปฏิบัตินะว่ายังมีความไม่ประมาทดังอุทิกาและใจเพื่อการปฏิบัติหรือไม่ทำไมถึงถามเป็นลาดับสามนะเรื่องการปฏิบัติทำไมถึงถามเรื่องการกินอยู่แล้วก็ถามเรื่องการสามัคคีความพร้อมเพียงเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการปฏิบัติ ถ้าบินธบัตลำบากก็ยังพอไหวนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กันด้วยความวิวาทนะเข้ากันไม่ได้แล้วนี่ไอเรื่องการปฏิบัตินะมันก็เป็นไปได้ยากนะการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจก็เป็นไปได้ยากไม่ต้องพูดถึงผลการปฏิบัตินะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมาอยู่ด้วยกันในช่วงขบรรสาเนี่ย แม้ความตั้งใจปฏิบัติมีอยู่แต่ว่าก็อย่าลืมว่าเราต้องช่วยกันสร้างนะชุมชนนะสถานที่แห่งนีนะ้ให้อยู่ร่วมกันด้วยความพร้อมเพรียงนะด้วยความพร้อมเพรียงชื่นชมกันนะไม่วิวาทกันมองกันด้วยสายตาแห่งที่เปลี่ยนไปด้วยความรัก เข้ากันได้เหมือนน้ากับน้ํานมอั น, น่าสนใจที่พระอนุรุทธาท่านตอบนะเมื่อพระเจ้าถามเช่นเนียนะว่าพร้อมเพียงกันอย่างดีอยู่หรือนะชื่นชมกันไม่วิวาทกันมองกันด้วยสายตาที่เปลี่ยมด้วยความรักหรือไม่พระนุรธทธาก็ตอบว่าแม้กายของพวกข้าพระเจ้าของข้าพระองค์จะต่างกันแต่ว่าจิตใจนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันนะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยได้ แต่และท่านเนี่ยก็ได้ละวางจิตของตนแล้วก็เป็นอยู่โดยอาศัยอานาจจิตของผู้อื่นหมายความว่าท่านละวางตัวตนเลยนะคือจะไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่จะไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะท่านใช้คําว่าละวางจิตของตนนนะแต่ว่าจะอยู่เป็นอยู่โดยอาศัยจิตของผู้อื่นก็คือว่าจะคำนึงถึงผู้อื่นเป็นสําคัญจะไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะ หลอมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันแม้กายของ ข, ข้าพระองค์จะต่างกันแต่ว่าจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้กเ็เป็นเรียกว่าเป็นการน้อมจิตน้อมใจของภาษา v o นะซึ่งในที่สุดก็ส่งผลให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งสาท่านนะ <Yeah. S 1> พวกเรานี่อาจจะทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะประเภทว่าวางจิตของตน แล้วก็เป็นอยู่ดยาัจิตของผู้อื่นนะแต่ว่าก็ขอให้อย่างน้อยก็ขอคอยคำนึงถึงผู้อื่นนะอย่าเอาอยากคำนึงแต่ถึงความต้องการของตัวเองนะแล้วก็พยายามที่จะ อ, อยู่กันด้วยความพร้อมเพรียงเห็นอกเห็นใจกันมีความอดกลั้นนะต่อคำพูดต่อการกระทำที่อาจจะไม่ถูกใจเราสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นแน่นะไม่ว่า ในหมู่พระหรือว่าในหมู่แม่ชีหรือว่าหมู่คารวาสสามเดือนเนี่ยมันต้องเกิดมันต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างมีเรื่องที่ไม่ถูกใจบ้างก็ต้องอดทนอดกลั้นนะแล้วก็พยายามที่เข้าเข้าใจกันอย่างน้อยๆก็พยายามที่จะมีเมตตาต่อกันนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยมองกันด้วยสายตาที่เตีมยมด้วยความรักความเล่าในที่ที่หมาถึงเมตตา ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วนะการอยู่การทำปรรษาสามเดือนนี่มันเท่ามันก็ไม่ต่างจากการติดคุกกันนะเพราะว่าหรือว่าบางคนแต่โจรสลันมันก็อยู่ในนรกทีเดียวเพราะว่าไปไหนไม่ได้ก็ต้องทนอยู่ด้วยกันกล้ามกืนฝืนทนซึ่งมันไม่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเลยแม้แต่น้อยนะเสร็จแล้วก็อาจจะถึงขั้นใช้กาลังกัน ที่นี่ก็เคยมีปมีแล้วนะพระกับพระใช้ต่อยตีกันหรือว่าแม่ชีกับแม่ชีใช้จอบใช้เสียมทำร้ายกัน น, นั่นสมัยที่พระยังน้อยแม่ชียังน้อยนะแต่ว่าตอนนี้เรามีเยอะขึ้นแต่ถ้าเราอยู่กันด้วยใจที่มีเมตตาต่อ ก, กันเข้าเข้าใจกั น, นพยายามวางอัตตาตัวตนของตนหรือวางจิตของตนให้ ลงไปนะเท่าที่จะทำได้นะก็จะช่วยให้การจำพรรษาของเรานี้เนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่เพียงแต่บรรยากาศสงบพร้อมเพียงแต่ว่าจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมเจริญงอกงามขึ้นด้วยนะก็ฝากเอาไว้นะเป็นข้อคิดปฏิข้อคิดสำหรับกา ร, รวันแรกของการเนะข้าภรรษาในปีนี้อักราพะพร้อมกัน